การเจริญปัญญาจเจริญตอนไหนปัญญานี่ก็จเจริญได้ทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเวลานอนหลับนี่จเจริญปัญญาไม่ได้หรือเวลาเข้าสมาธิก็จเจริญปัญญาไม่ได้เวลาจิตอยู่ในสมาธิ จิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งตอนนั้นเจริญปัญญาไม่ได้ตอนนอนหลับก็เจริญปัญญาไม่ได้นอกจากสองเวลานี้แล้วเวลาอื่นสามารถเจริญปัญญาได้เช่นตื่นขึ้นมาอยากจะเจริญปัญญาก็เจริญไปได้พิจารณาไตรักอนิจจทุกขังอนัตตา ส่วนแรกที่ต้องพิจารณาก็คือร่างกายร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์เพราะเพราะใจไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราใจจึงสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจไม่ได้ นี่คือการพิจารณาทางปัญญาพิจารณาต้องพิจารณาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ใช่พอนั่งสมาธิพอจิตสงบก็พิจารณาร่างกายนไม่ได้ถ้าพิจารณาก็แสดงว่าจิตไม่สงบแล้วดึงจิตหรือจิตสงบแล้วก็ดึงมันออกจากความสงบ ถ้ามันดึงมันออกจากความสงบไปนั่งสมาธิให้เสียเวลาทำไมที่นั่งสมาธินี้ไม่ต้องการปัญญาต้องการความสงบต้องการอุเบกขาต้องการให้ใจนิ่งใจเป็นกลางวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงการที่ใจจะนิ่งมีอุเบกขาได้นานๆนนใจก็ต้องสงบนานๆ น, น, นั่นเอง เหมือนน้ำที่แช่ในตู้เย็นถ้าต้องการให้น้ำมันเย็นนานๆก็ต้องแช่อยู่ในตู้นานๆไม่ใช่พอเปิดตู้เอาน้ำเข้าไปปุ๊บปิดตู้ปับ๊บเปิดตู้เอาน้ำออกมาแล้วอย่างนี้น้ำยังไม่ทันเย็นะนั้นต้องปล่อยทิ้งไว้นานๆให้มันเย็นแล้วเวลาจะดื่มก็ค่อยเอามาดื่ม ดื่มเสร็จก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้ใหม่เพื่อรักษาความเย็นของน้ำไว้เรื่อยๆถ้าเอาออกมาแล้วเราไม่เอากลับเข้าตู้เดี๋ยวความเย็นของน้ำก็หายไปอุบเบกขาก็คือความเย็นของใจใจจะเย็นใจต้องเข้าไปในสมาธิสมาธิเป็นเหมือนตู้เย็นของใจ ใจอยู่ข้างนอกร้อนมร้อนกับเรื่องนั้นร้อนกับเรื่องนี้ร้อนกับคนนั้นร้อนกับคนนี้พอเราเอาใจเข้าไปในสมาธิใจก็เย็นลงพอเย็นแล้วเราก็ต้องให้มันเย็นนานๆไม่ใช่พอเย็นปั๊บก็เอาขึ้นมาพิจารณาปัญญาเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาใหม่ อย่าเพิ่งพิจารณาปัญญาในช่วงที่ทําสมาธิช่วงที่ทําสมาธิให้มันนิ่งนานๆเป็นอัปปนาสมาธิคือสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเป็นหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงอให้มันนิ่งอย่างนั้นเหมือนกับแช่น้ําไวนาน้นานๆมันจะเย็นเฉียบ พอเอาออกจากตู้มาดื่มมันก็เย็นเฉียบพอต้องการให้มันเย็นต่อก็เอากลับเข้าไปในตู้ใหม่สมาธิก็เป็นตู้เย็นของใจนี่เองเพื่อให้เกิดความเย็นของใจคืออุเบกขาเวลาใจเย็นนี้ใจจะมีอุเบกขาจะเฉยจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่ยินดีย do ินร้ายได้ยินอะไรก็เฉยเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะทำอะไรก็เฉยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้จากการทำสมาธิฉะน้นเวลาทำสมาธิจึงไม่ใช่เวลาเจริญปัญญา เวลาเจริญปัญญานี้ต้องรอให้ใจมันเย็นเฉียบแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ยังเย็นอยู่ได้นานตอนนั้นพนะ่ะพอออกจากสมาธิมาแล้วจึงมาเจริญปัญญาต่อแต่ถ้าใจยังเย็นไม่ได้นานอุเบกขายังได้น้อยพอออกมาได้ไม่กี่วินาทีก็เริ่มร้อนขึ้นมา เห็นอะไรก็เริ่มเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่กลับเข้าไปเรื่อยๆกลับเข้าไปให้มันเย็นมากๆเย็นนานๆพอมันออกมาจากสมาธิแล้วเย็นนานๆเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เฉยคิดถึงเรื่องอะไรก็เฉย ไม่มีความรักชังกลัวหลงตอนนั้นน่ะเป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาได้ดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจในการพิจารณานั่นเองการพิจารณาปัญญาต้องพิจารณาจนกว่าจะจำได้จำได้ตลอดเวลา ไม่ใช่จําได้เฉพาะตอนที่พิจารณาพอไม่พิจารณาก็ลืมไปหายไปลืมไตลักไปลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเช่นเวลาพิจารณาร่างกายก็ต้องพิจารณาอนิจจังก่อนอนิจจังคืออะไรคือไม่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย ร่างกายนี้เที่ยงไหมเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา<ม>การเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มันช้ามันเลยดูเหมือนว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลง<ม>แต่ลองเอารูปถ่ายมาถ่ายดูเลยถ่ายตอนวันที่เกิดออกมาแล้วอีกห้าปีมาถ่ายอีกครั้งหนึ่ง แล้วมาเปรียบเทียบกันดูว่าห้าปีที่แล้วกับปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไง ร, รูปร่างเป็นยังไงถ่ายมันไปทุกห้าปีห้าปีอายุหนึ่งขวบเป็นยังไงห้าขวบเป็นอย่างไรสิบขวบเป็นอย่างไรสิบห้าขวบยี่สิบขวบเป็นอย่างไรอไรมันจะเห็นชัดว่ามันไม่เหมือนกันเสียแล้วร่างกายตอนที่เป็น อายุหนึ่งขวบกับตอนที่อายุห้าขวบนี่เป็นคนละร่างกายกันไปแล้วร่างกายอันเดียวกันแต่มันมันเปลี่ยนไปแล้วนี่แหละอนิจจังนั่นเรียกว่าอ น, นิจจงร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสรุปขั้นให้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ มอแกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบางทียังไม่ทันแกก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก่อนล้ะเกิดมาปั๊บไม่กี่วันก็ไม่สบายแล้วไปถามหมอเด็กสิถ้าถ้าเด็กไม่ถ้าเด็กมันสบายทำไมจะต้องมีหมอเด็กด้วยต้องมีหมอเด็กก็เพราะว่าเด็กมันก็ไม่สบายได้เหมือนกันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันทุกคน ร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องแก่จะต้องตาย น, นี่คือการพิจารณาขั้นที่หนึ่งคือพิจารณาร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายสิ่งต่างๆที่ได้ร่างกายได้มาเป็นสมบัต เนี่ยก็ต้องพิจารณาเช่นลาบยศสละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันต้องมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดา yes. พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นพิจารณานะอยู่เนืองๆว่าเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ไ e. ด้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้พัดพากจากอะไรก็จากสมบัติต่างๆที่ร่างกายได้มานั่นเองพอมาเกิดพอโตร่างกายก็ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันหาลาบคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง หายศหาตำแหน่งใช่ไหมบางคนก็ได้เป็นนายกบางคนก็ได้เป็นประธานาธิบดีบางคนก็ได้เป็นรัฐมนตรีบางคนก็ได้เป็นอะไรแต่ต่อมีอะไรต่างๆแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปต้องมีการพาดพากจากกันไปได้รูปเสียงกลิ่นลดมาก็เหมือนกันได้ สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็เรียกว่ารูปเช่นได้ของที่เราใช้เห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เรียกว่ารูปของที่เราได้ยินด้วยเสียงด้วยยินได้ยินด้วยหูก็เรียกว่าเสียงรูปเสียงกดลิ่นรสที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกาันไปนี่คือการเจริญปัญญา จเจริญเพื่อให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ถ้ายังทุกข์ก็ยังแสดงว่ายัางจเจริญไม่เป็นจเจริญไม่ถูกการจเจริญ น, นี้เพื่อให้ใจเราปล่อยวางร่างกายปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรา เราผู้พิจารณาคือใครผู้ที่กำลังเจริญปัญญานี้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ลาบยศ ส, สรลเสิญไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสผู้ที่เจริญปัญญาก็คือผู้ที่ได้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัตินี้เองใครเป็นผู้มาครอบครองร่างกายนี้ก็คือดวงวิญญาณตอนที่ ใจไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตอนที่ร่างใจกับร่างกายแยากทางกันเช่นร่างกายกับใจตอนนี้อยู่ร่วมกันเราก็เรียกว่าใจกับกายแต่พอร่างกายตายไปก็เหลือแต่ใจที่ไม่ตายใจที่ไม่ตายก็เรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิ ญ, ญาณก็จะล่องลอยไปหาร่างกายอันใหม่เพราะมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสห า, าลาภยศจัลเสนหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เลยไปล่องลอยไปคอยดูว่าเมื่อไหร่จะมีการาสร้างร่างกายขึ้นมา พอมีการก่อสร้างร่างกายมีพิธีวางศิลาฤกษอวิธีแต่งงานเ น, นเป็นพิธีวางศิลาฤกออเดี๋ยวไม่นานก็พอวางศิลาฤกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสาวก็โผลขึ้นมาแนละ้อันนี้ก็เหมือนกันพอแต่งงานปุ๊บไม่นานเดี๋ยวตัวทารกก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแนละ้ว พอมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกันเชื้อของพ่อก็ดินน้ำนมฝอยนี่แหละเชื้อของแม่ก็ทํามาจากดินน้ำนมฝอยเป็นน้ำสองหยดเห็นไหมทำไมนี้ก็ผสมเทียมได้เอาเชื้อของแม่มาหยดเอาเชื้อของพ่อมาหยดอพอมันมาเจอกันเดี๋ยวมันก็มามีการ ผสมพันธ์กันขึ้นมามีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพอมีการก่อร่างสร้างตัวดวงวิญญาณที่ต้องการร่างกายก็มาเกาะทันทีมาเกาะติดกับร่างกายเนี่ยแล้วก็เกาะไปจนกระทั่งวันตายถึงจะแยกออกจากกันอตอนต้นก็อยู่ในท้องเก้าเดือน พอออกจากท้องแม่มาก็สั่งให้ร่างกายหัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดทำอะไรต่างๆผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่มีคำสั่งในตัวเองร่างกายเป็นผู้คอยรับคำสั่งจากใจพอมีร่างกายดวงวิญญาณก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตเป็นจิตใจไป ดววิญญาณก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก็จะสั่งให้ทําตามความอยากของใจนั่นเองใจมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็สั่งให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สั่งให้ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใจอยากได้ตำแหน่งต่างๆก็ไปวิ่งเต้นไปหาเสียงหรือไปทาเหตุที่จะทําให้ได้ตำแหน่งเหล่านั้นขึ้นมาอยากจะได้ไปเที่ยวก็พาร่างกายไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มอันนี้ใจเป็นผู้สัง่งร่างกายเป็นเพียงลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าว แล้วใจก็มาหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาของตัวเองนั่นเองใจธรรมชาติของใจนี้มีความรู้สึกนึกคิดใจนี้เป็นผู้คิดผู้รู้สึกรู้สึกสุขสุขไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นใจแต่ใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย ใหญ่ก็เลยไปเมื่อมาอยู่กับร่างกายก็เลยคิดว่าใจเป็นร่างกายไปพอใจเป็นร่างกายขึ้นมาใจก็รักร่างกายโหวงร่างกายเพราะใจไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรไปเมื่อร่างกายเป็นใจร่างกายก็ต้องไม่เป็นอะไรก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมากับร่างกายะ เพราะว่าร่างกายเดี๋ยวมันต้องเป็นอะไรนั่นเองตั้งแต่เกิดมามันก็เป็นได้ะเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะถ้าไม่เจ็บไล้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยในตอนหลังการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เจ็บได้ทุกเวลาถ้ามีเหตุทําให้มันเจ็บขึ้นมามันก็จะเจ็บขึ้นมา แต่ใจไม่ชอบความเจ็บเนใจไม่อยากให้ร่างกายเจ็บนใจไม่ชอบความแก่ไม่อยากให้ร่างกายแก่ใจไม่ชอบความตายจึงไม่อยากให้ร่างกายตายก็เลยพยายามที่จะหาวิธีรักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายด้วยวิธีต่างๆ บางคนก็ใช้ความรู้ทางแพทย์มาช่วยรักษาไม่ให้ร่างกายแก่ออกกำลังกายกินอาหารที่สุขถูกสุขลักษณะอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่ทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่อยู่ดีแต่ว่าจะแก่เร็วหรือแก่ช้าเท่านั้นเองแต่ก็ต้องแก่ ต่อให้กินยามีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ต่อให้มีรอปรพอระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงถึงเวลามันก็ตายขึ้นมาได้พอตายมันก็ต้องเกิดการพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด มีอะไรมาก็ต้องพากพัดพกจากกันไปมีครอบครัวมีพี่น้องมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาต้องจากกันไปหมดนะบางทีจากกันก่อนตายเสียได้ซ้ำไปเราไม่จากเขาไปแต่เขาจากเราไปเขาตายก่อนเราก็มีไม่ใช่ว่าจะคนแก่จะตายก่อนคนหนุ่มเสมอไป คนหนุ่มคนสาวอาจจะตายก่อนคนแก่ก็มีนมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาทำไมถึงต้องมาเจริญของที่เรารู้กันอยู่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันก็เพราะว่าเราลืมเราจาไม่ได้พอเราไม่คิดถึงมันเราก็ลืมไปเราก็จะไปคิดว่าเราจะอยู่ไปนาน เราก็เลยไม่มาดูความจริงของร่างกายแล้วดูผลกระทบของของความจริงของร่างกายว่ามันมีผลกระทบอะไรกับใจของเราเนีพอทุกครั้งพออะไรมากระตุ้นให้เรานึกถึงความแก่ขึ้นมาใจเสียวไหอพอมีผมหงอกโผล่ขึ้นมาเส้นนึ่างนี้ ใจเริ่มเสียวขึ้นมาแล้วเฮยกลูจะแก่แล้วเนอะแล้อหนังเริ่มเหี่ยวแล้วมีมีตาอะไรก็เรียกตากล้าเลยอมีอผิวหนังผิวตรงผิวตาเริ่มเหี่ยวเริ่มหย่นเริ่มหย่อนขึ้นมาอันนี้ก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นมาแล้วสิทําไมต้องไม่สบายใจกับของจริง ของที่มันต้องเป็นก็เพราะว่าใจไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้เป็นก็เลยพยายามไม่คิดถึงมันเพราะคิดว่าถ้าไม่คิดถึงมันแล้วมันจะไม่เป็นนั่นเองจึงไม่พยายามมองไม่ยอมมองไม่ยอมคิดถึงความแก่เห็นคนแก่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าต่อไปร่างกายของตนเองก็ต้องเป็นเหมือนกับคนแกท่ที่ที่มองนั้น เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยคิดว่าต่อไปร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับร่างกายของคนที่เห็นที่ที่ที่ไปมองเห็นไปงานศพกี่งานศพก็ไม่เคยเห็นว่าร่างกายของตนเองจะต้องตายเหมือนกับร่างกายของคนที่อยู่ในงานศพอันนี้แสดงว่าใจไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมมองความจริง เราก็จะทุกข์กับความจริงเวลาที่ใจจะต้องเผชิญกับความจริงนั่นเองดังนั้นเบื้องต้นต้องพยายามสอนใจไม่ให้ลืมสอนใจทุกเวลาพิจารณาอยู่เนืองๆเห็นไหมคําว่าเนืองๆ น, นี้คือตลอดเวลาก็ว่าได้พระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนุ์ว่าอา น, นุ์วันหนึ่งเธอพิจารณาความตาย สักกี่ครั้งอานอนท์ก็ตอบ ว, ว่าก็ประมาณสี่ห้าครั้งมั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหมือนกินยาพระพุทธเจ้าบอกไม่พอเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนทุกลมหายใจเข้าออกก็ต้องทุกเวลาเนี่ยเพราะว่าเราหายใจเข้าออกทุกเวลา ไม่หายใจเข้าก็หายใจออกเวลาหายใจเข้าท่านก็สอนว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนี่แหละคือการพิจารณาอยู่เนืองๆไอ้พิจารณามันจะกระทั่งมันไม่มีเวลาลืมความตายไปเพราะว่าเพราะว่าเมื่อมันไม่ลืมความตายนี้มันจะ ไม่ต้องมาวุ่นวายกับอะไรที่ทกำลังวุ่นวายกันอยู่วุ่นวายกับคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับราบยศสรรเสริญเพราะลืมความตายว่าวุ่นวายยังไงในที่สุดก็ต้องทิ้งมันไปหมดมีอะไรได้มากน้อยเพียงไรหามาได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องทิ้งมันไปหมดเมื่อความตายมาถึง ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปมีก็มีไปดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าถึงเวลามันก็ต้องทิ้งมันไปหมดอยู่ดีแล้วไปทุกข์ไปวุ่นวายกับมันได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความทุกข์นี่สิ การเจริญปัญญานี้เพื่อมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายได้มาครอบครองเป็นสมบัตินั่นเองนี่คือการพิจารณาขั้นที่หนึ่งพิจารณาเรื่องของร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ ให้รู้ว่าผู้ที่กำลังพิจารณากับผู้ที่ถูกพิจารณานี้เป็นคนละคนกันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันผู้พิจารณาคือใจที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายไปที่ไปคิดว่าตนใจเป็นร่างกายแต่พอพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่าใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกาย เราก็จะต้องสูญเสียร่างกายไปในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายหยุดหายใจและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มากับร่างกายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเป็นยศอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรางวัลดีเด่นขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะ เคยเห็นเคยดูเคยสิ่งต่างๆที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายในที่สุดก็ต้องมีการสิ้นสุดลงเหมือนกับงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงคนที่ไปงานเลี้ยงพอเขาปิดงานก็ต้องกลับบ้านเราไปไปงานเลี้ยงแล้วมาขอเจ้าภาพมาขออยู่ในงานไปตลอดได้ไหมจะพาบ<ม>จะบ้าหรือเปล่า เขาเลี้ยงพอถึงเวลาเลิกก็ต้องกลับบ้านกันอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวใจพอร่างกายตายไปใจก็ต้องแยกไปไม่มีอะไรเอาติดตัวไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปนี่คือการพิจารณา ถ้าพิจารณาแล้วยังทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกันก็แสดงว่ายังมีอุปทานความยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองคือยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมให้จากกันใจเฉิงทุกข์ใจทุกข์เพราะใจอยากให้สิ่งต่างๆที่ตนเองมีอยู่ ต้องอยู่กับตนไปเรื่อยๆร่างกายก็ต้องอยู่กับใจไปเรื่อยๆทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์รังวีรางวัลอะไรต่างๆก็ยังต้องอยู่กับใจไปตลอดใจเลยทุกข์ทุกข์เพราะความอยากอยากไม่พัดภาคจากกันนั่นเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย แล้วจะทำไงถึงจะหายทุกข์หายทุกข์ก็คือต้องยอมรับความจริงว่าจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือความแก่ความเจ็บความตายการพัดพาคจากกันไม่มีใครร่วงพ้นไปได้นะ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดพาจากการไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าใจไม่ยอมรับใจก็จะทุกข์แล้วจะทำไงจึงจะทำให้ใจยอมรับให้ได้ก็ต้องไปทำใจให้เป็นอุเบกขานี่เองถ้าใจเป็นอุเบกขาใจจะนิ่งเฉย ใจจะปล่อยวางอุเบกขาคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยด้วยอุเบกขาถ้าเราพิจารณาปัญญาจนรู้จนไม่ลืมแล้วว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาแต่ใจยังทุกข์ยังไม่สบายกับความแก่ความเจ็บความตาย กับการพัดพากจากกันก็แสดงว่าใจไม่ปล่อยไม่วางใจไม่มีอุเบกขาถึงเมื่ออยากจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ถ้าไม่ทำใจให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราพิจารณาทางปัญญาแล้วยังทุกอยู่เราก็ต้องหยุดแล้วกกลับเข้าไปฝึกสมาธิใหม่ฝึกสมาธิก่อน ให้ได้อุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้วพอได้อุเบกขาแล้วลองมาพิจารณาดูดูซิว่ายังทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าอุเบกขาที่ได้จากสมาธิมันหมดไปมันยังมีกําลังน้อยยังไม่พอก็ต้องกลับไปทําอุเบกขาให้มีมากๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าที่ใจจะ ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายปล่อยวางการพัาดพาจากกันได้นั่นแหละถึงจะรู้ว่าใจได้มีอุบเบกขาเต็มร้อยแล้วเต็มที่แล้วนี่คือการพิจารณาปัญญาพิจารณาได้ทุกเวลานอกจากเวลาหลับกับเวลาเข้าสมาธิ พิจารณาแล้วจะดับความทุกข์ได้หรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งพิจารณาแล้วอย่างเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพลาดพาดจากกันก็ยังทุกข์อยู่ก็มีสองสาเหตุทุกข์เพราะว่าลืมก็ได้พิจารณาน้อยไปก็ทำให้ลืมได้พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ตกใจขึ้นมาเหมือนกับไม่เคย รู้ว่าจะต้องเจอกันอย่างนี้ก็แสดงว่าพิจารณาน้อยไปยังไม่เป็นปัญญายังเป็นสัญญาอยู่ถ้าพิจารณาจนไม่ลืมรู้อยู่ตลอดเวลาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันแต่ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังทำใจไม่ได้ยังทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้มีสองกรณีทาไม ยังปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เพราะปัญญายังไม่เป็นปัญญายังเป็นสัญญาอยู่จำได้ตอนที่พิจารณาพอหยุดพิจารณาก็ลืมพอลืมก็ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาแต่ถ้าไม่ลืมมันก็จะพยายามคอยควบคุมใจไม่ให้ไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดภาคจากกันแต่คอยควบคุมแล้วมันก็ยัง หยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องไปทำสมาธิลองไปทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้มันก็จะไม่ทุกข์เห็นความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพัดผ่าจากกันแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิ ออกมาจากสมาธิก็เฉยเหมือนกันแสดงว่ามีอุเบกขามีกำลังมากแล้วก็มีปัญญาไม่ลืมว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายต่อไปวิธีที่จะพิสูจน์ว่าจะกลัวแล้วไม่กลัวก็ต้องไปเจอของจริงดูไปหาของจริงเช่นเรายังกลัวความเจ็บหรือเปล่า ก็อยากจะรู้กลัวไม่กลัวก็นั่งไปเลยนั่งให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าพอเจ็บแล้วใจทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าใจยังทุกข์อยู่ยังอยากจะขยับยังอยากจะหนีจากความเจ็บอยู่ก็แสดงว่ากลัวมันถ้าไม่กลัวก็อยู่กับมันไปมันมาก็ปล่อยมันมามันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันไปก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันจะรู้ได้ว่ากลัวความเจ็บหรือเปล่า ถ้าไม่กลัวแล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวโรคอะไรทั้งนั้นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอะไรร้อยแปดที่มนุษย์เรากลัวกันนีย่ยังไม่ทันเป็นเลยเพียงแต่คิดถึงมันก็กลัวแล้วคำว่ามะเร็งแค่ น, นี้คําเดียวนี่อก็กลัวกันแล้วต้องพิสูจน์ดูว่าเรากลัวมันหรือไม่กลัวมัน ถ้ามีปัญญามีอุเบกขาเนี่ยมันไม่กลัวมันเฉยท่นเองมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้ใบเปลี่ยนร่างกายมันจะเป็นก็ต้องเป็นแต่มันไม่กลัวมันไม่มันไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะมันทำใจได้ทำใจด้วยอุเบกขากับปัญญาสองอย่างต้องมีสองอย่างแต่งจะเป็นปัญญาที่ สมบูรณ์ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเห็นไหมภาวนามยปัญญาก็มีสองหนไหมหนึ่งคือภาวนาสองคือปัญญาภาวนาก็คืออุเบกขานี่เอสมัตสมัต ภ, ภาวนาภาวนาเพื่อทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วพอพิจารณาทางปัญญาก็จะปล่อยวางได้ ปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายได้ส่วนจะปล่อยได้จริงไม่จริงก็ต้องไปพิสูจน์เอาความเจ็บก็พิสูจน์ด้วยการปล่อยให้มันเจ็บไปหรือตอนที่เวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นยงไงตื่นเต้นตกใจกดโทรศั์เรียกหมอเรียกฉุกเฉินอะไรวุ่นไปหมดหรือเปล่าหรือบอกอ๋อมันมาแล้ว ไม่เป็นไรมาก็มายัางไม่ถึงเวลาไปดูหาหมอก็ไม่ต้องไปรบกวนไม่ต้องไปปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาดึกดึกดด่นเดินรอไว้ตอนเช้าก่อนก็ได้ตอนเช้าแล้วค่อยไปก็ได้ถ้ากลัวไปไม่ทันไม่ทันก็ตายก็จะได้รู้ว่ากลัวตายด้วยหรือเปล่าถ้าไม่กลัวตายก็ไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆรอ้อย เวลาเหมาะก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านให้เขาวุ่นวายไปกับเราไว้รอให้เตือนก่อนเตืนแล้วคนอื่นเตื่นแล้วก็บอกให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยไปหาหมอหน่อยก็ไปแต่ไม่ได้ไปด้วยความเตื่นตนกไม่ได้ไปด้วยความหวาดกลัวแต่อย่างใดไปเพราะทำหน้าที่ถ้าอยู่ในป่าลึกก็ไม่ไปก็ได้ สมัยหลวงปู่มั่นท่านอยู่ในป่าลึกน่ท่านไม่ไปละท่านก็อยู่ที่วัดไปนะจนกว่าคนอื่นทนไม่ไหวเลยต้องมาแบกท่านไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอกไปไปตายที่ในเมืองเพราะท่านเป็นคนสั่งเองว่าไม่อยากจะตายที่หมู่บ้านเพราะถ้าตายที่หมู่บ้านเขาจะต้องจัดงานศพที่หมู่บ้าน มันจัดงานศพชาวบ้านเขาไม่มีอะไรเลี้ยงก็ต้องค่าวัวค่าควายค่าเป็ดค่าไก่มาเลี้ยงคนที่มางานศพท่านบอกว่าไม่อยากจะให้สัตว์ต้องเดือดร้อนต้องตายไปกับท่านด้วยท่านบอกไปตายในเมืองเดีกว่าเขามีลงค่าสัตว์ที่นั่นสัตว์มันตายเป็นปกติของมันอยู่แล้วการตายของท่านไม่ได้ไปเพิ่มความตาย ของสัตว์ที่อยู่ในที่จะต้องถูกฆ่าตายในเมืองอยู่แล้วเขาก็ซื้อสัตว์ที่เขาฆ่านี้มาเลี้ยงคนในงานศพได้นี่คือสาเหตุทำไมหลวงปู่มั่นท่านถึงไปตายที่วัดป่าสุทธาวาสท่านไม่อยากจะให้สัตว์ที่หมู่บ้านที่ท่านอยู่เดือดร้อนกับความตายของท่านชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาพระเนนก็เลยทา ทำเปรย์ทำอะไรแบกท่านไปเดินกันไปสมัยก่อนไม่มีรถยนต์เดินไปจนไปถึงเมืองสกลนครไปถึงก็อยู่ไม่ได้นานรู้สึกพอถึงนั้นตอนดึกตอนเที่ยงคืนกว่าไงท่านก็เสีย <c oughs> แต่อย่างน้อยท่านก็ยังมีความเมตตาต่อสัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้าน สัตว์พวกนั้นก็เลยลอดตายเพราะว่าไม่มีการจัดงานศพที่ที่วัดที่หมู่บ้านนั้นมาจัดที่ในเมืองในเมืองเขาก็มีสัตว์ที่เขาค่ายอยู่แล้วคนอยากจะเลี้ยงอาหารทำทำเนื้อสัตว์ก็ไปซื้อที่ตลาดได้มไม่ไปรบกวนสัตว์ที่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายนี่ ตังพิสูจน์ถึงจะรู้ว่าปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่การที่เราพิจารณานี้ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงเหมือนกับนักมวยยังไม่ได้ขึ้นเวทีนักมวยเวลาชกซ้อมนี่ชกกับคู่ซ้อมเขาไม่เอาจริงเอาจังากก็พอหอมปากหอมคอเลยเวลาชกกับกระสอบทรายกระสอบทรายมันก็ไม่ มันก็ไม่ต่อยกับมันปล่อยให้เราต่อยอย่างเดียวอย่างนั้นเรายังยังไม่รู้นักมวยยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะถ้าโชคกับคู่ซ้อมโชคกับกระสอบทายแต่ถ้าไม่โชคก่อนยิ่งยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าจะชนะหรือไม่จึงต้องซ้อมก่อนซ้อมวิธีต่อสู้กับคู่ต่อสู้ก่อน ใช้กระสอบทรายเป็นคู่ต่อสู้ใช้คู่ซ้อมเป็นคู่คู่ต่อสู้ไปก่อนแต่ยังไม่เป็นของจริงเหมือนกับเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็ยังไม่ได้เป็นของจริงยังไม่ได้เป็นกับตัวเรานั่นเองถึงแม้จะไปดูคนแก่ไปนั่งดูเนี่ยนั่งดูคนแก่นัต่อไปเราก็ยะต้องเป็นอย่างนี้ไปดูคนเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆ ดูคนตายตามวัดตามโรงพยาบาลมันยังไงก็ยังไม่เหมือนจริงมันยังไม่เป็นตัวเราที่เกิดขึ้นนั้นเองยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าขนาดใช่ไม่เป็นของจริงถ้าไปดูยังเป็นนมอยู่สแสดงว่าใจนี้ไม่มีอุบเบกขาเลยไม่มีกำลังที่จะรับความจริงได้เลยเพียงแต่ บางคนไม่ต้องไปดูด้วยซ้ําไปเพียงแต่คิดเท่านั้นก็ไม่ยอมคิดแล้ะเนี่ยที่สอนให้พิจารณาความตายอยู่เนืองเนืองนี่บางคนไม่ยอมคิดจ้ะเพราะคิดว่าถ้าคิดถึงคําว่าตายนี้เท่ากับว่าสาบช่งให้ตนเองตายไมนไม่สาบมันก็ตายอยู่แล้วะมีใครไม่ตายบ้างเพียงแต่จะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองคนคิดว่าถ้าคิดถึงความตายปุ๊บเดี๋ยวจะตายปับ๊บเหมือนเปิดสวิทช์ไฟ ยห้ามคิดห้ามคิดคำว่าตายแม้เวลาคนอื่นตายก็ห้ามใช้คำพูดว่าตายเห็นให้ใช้คำอื่นแทนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารก็ให้ใช้คาว่านิพพานแทนแทนความตายถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ใช้สวรรค์นกศน์ถ้าเป็นนายกก็เป็นอสั ญ, ญกรรมถ้าเป็นคนธรรมดาก็ มรณะนิพภะเป็นมรณภาพก็เป็นของพระภิกษุถ้าคนธรรมดาก็ถึงแก่กรรมแต่ไม่ยอมใช้คำว่าตายเพราะกลัวคำนี้มากกลัวว่าถ้าไปแตะมันเข้าปุ๊บนี่เดี๋ยวต้องเกิดการตายขึ้นมาทันทีแสดงว่าจิตนี้ไม่มีปัญญาเลย ไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นความจริงเลยไม่มีอุเบกขาเลยแม้แต่เพียงแต่คิดก็ไม่กล้าคิดสแสดงว่าไม่มีอุเบกขาจึงคนจึงมักจะถามว่าจะทำไมต้องมีสมาธิก่อนถึงจะต้องเจริญปัญญาเพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามันไม่มีวันที่จะไปคิดถึงความตายกันได้คิดก็คิดพอหอมปากอหอมคออ่ะ ก็บอกให้คิดความตายก็คิดมันแค่คำสองคำท่องคาถานี้เสร็จก็ลืมมันละเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้สาธุจบแล้วพิจารณาปัญญาแล้วปัญญาแบบนี้มันยังไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาเดี๋ยวพอไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็สะดุ้งขึ้นมาอันนี้ จึงต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิจารณาอยู่เรื่อยๆการจะพิจารณาอยู่เนืองเนืองนี้ต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั่นเองถ้าไม่มีสมาธิใจมันไม่มีกบไม่มีกำลังที่จะพิจารณาความตายได้มันกลัวความตายมันไม่มีอุเบกขาจึงต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาเมื่อมีอุเบกขาแล้วไม่มีความรักชังกลัวหลงในใจ ให้พิจารณาปัญญาทั้งวันทั้งคืนมันก็พิจารณาได้พิจารณาความตายทั้งวันทั้งคืนมันก็พิจารณาได้เอมันต้องพิจารณาทั้งวันทั้งคืนถึงจะเรียกว่าไม่ประมาท ถ, ถึงจะเรียกว่าพร้อมที่จะขึ้นเวทีต่อสู้กับคู่ชกได้คู่ชกมาเวลาไหนนี่ชนะมันแน่นอนเมื่อพร้อมแล้วทีนี้ก็ไปหาเวทีชกดู ไปหาที่ไหนที่คิดว่าอาจจะทําให้เกิดความตายขึ้นมาได้เช่นเนี่ยที่พะไปอยู่ในป่านในเขากันก็เป็นสถานที่เหมือนเหมือนเวทีเหมือนจะได้เจอของจริงเพราะมีสิงสาราสัตว์ต่างๆที่สามารถทําให้ร่างกายนี้ตายขึ้นมาได้พอไปอยู่ที่น่ากลัว พอได้ยินเสียงสัตว์คำรามนดูซิว่าใจสั่นหรือไม่สัน่นใจบอกไปหรืออยู่ถ้าใจบอกไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าแสดงว่าอุเบกขาไม่มีปัญญาหายไปหมดแต่ถ้าใจบอกอยู่สู้ความตายหนีไม่พ้นถ้ามันจะต้องตายวันนี้เวลานี้ก็ก็ต้องให้มันตายไป หนีมันไม่พ้นอยู่ดีหนีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่มันจะตามมาจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปมันถึงจะไม่ตามมาอีกต่อไปอนี่คือต้องไปพิสูจน์ดูต้องไปจ้าเอ๋กับเสือต้องไปจ้าเอ๋กับงูดูไปเจอสิ่งที่อาจจะมาทาให้เสียชีวิตได้อ่แล้วดูซิว่าตอนนั้นปล่อยได้ปะ ถ้าปล่อยได้จิตจะเฉยจะเย็นจะสบายไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายถ้าตื่นเต้นตกใจขึ้นมาเวลาเจอภัยอันตรายแสดงว่าสอบตกนี่คือการเจริญปัญญาและการพิสูจน์ว่ามีปัญญาหรือไม่เนพราะั้นปัญญาไม่ใช่ของง่าย อย่ไปคิดว่าโอ้ยอ่านพระไตรปิฎกอ่านธรรมะแล้วเข้าใจมีปัญญาแล้วอ น, นั้นเป็นปัญญาระดับต้นระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ก็เป็นเหมือนกับการหว่านเมล็ดลงดินเท่านั้นเองอยังไม่ได้เป็นต้นไม้แต่ต้นไม้มันจะเป็นได้ก็ต้องมีการหว่านเมล็ดก่อนต้องเอาเมล็ดของต้นไม้ของไปลงดินก่อน พอลงดินแล้วก็คอยดูแลมันคอยให้น้ำให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็จะมีมีใบมีก้านโผล่ขึ้นมาอันนั้นอนะ่ะขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งคือการอ่านหนังสือธรรมะการได้ยินธรรมะรู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่รู้แบบเอาไปทำประโยชน์ไม่ได้ เอาไปดับความทุกข์ไม่ได้เอาไปดับความกลัวไม่ได้ก็ต้องดูพัฒนาความรู้ขั้นที่หนึ่งนี้มาให้เป็นความรู้ขั้นที่สองความรู้ขั้นท <c volta> ี่สองก็คือเป็นความรู้ที่ไม่ลืมเยความรู้ขั้นที่หนึ่งพอได้ยินได้ฟังปุ๊บเดี๋ยวก็ลืมละเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวลืมละ อยากจะไม่ให้ลืมความตายต้องทําแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระอนนท์อานนท์เธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนั้นเป็นปัญญาขั้นที่สองถึงแม้เป็นขั้นที่สองแล้วก็ยังไม่ได้ทําให้ความกลัวตายหายไปมันจะพาให้ไปสู่ขั้นที่สามต่อไปขั้นที่สองก็คือหลังจากที่ได้รู้แล้วว่าเกิดมาต้องตาย กานที่สองก็เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องคิรนาหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตายไม่เชื่อไปถามหมอดูเลยหมอถ้าคนหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกนี่เป็นยังไงหรือถ้าคนหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเป็นยังไง ถ้าไม่เชื่อไปถามหมอดูถ้าหมอบอกว่าไม่ตายก็แสดงว่าหมอไม่รู้จริงหมอบอกว่าไม่เป็นไรไม่หายใจเดี๋ยวมีเครื่องหายใจช่วยได้อย่างนี้มันก็มันก็หายใจแบบไม่ใช่หายใจด้วยตัวเองแต่การหายใจด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างนี้ก็ถือว่าถือว่าอยู่แบบอยู่เทียม ไม่ได้อยู่แบบจริงพอไม่มีเครื่องหายใจเครื่องหายใจหยุดทำงานไม่ไรมันก็ตายเมื่อ น, นั้นเหมือนกันนี่คือปัญญาสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่เรามาฟังกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าขั้นที่หนึ่งวิธีเจริญปัญญาเจริญอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็เอาไปเจริญเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองคิดอยู่เรื่อย จนไม่หนงไม่ลืมจนพร้อมที่จะไปพิสูจน์นะพิจารณานี้เพื่อให้เราเตรียมเข้าห้องสอบเหมือนเรียนหนังสือนี้ตอนต้นก็เรียนในห้องไปก่อนเรียนเสร็จอาจารย์ก็เอาการบ้านฝากไปทําที่บ้านตอบเพราะถ้าไม่ทําการบ้านเดี๋ยวลืมนะพออยู่ในห้องเรียนก็จําได้พอออกจากห้องเรียนไปเดี๋ยวไปเรียนวิชาอื่นวิชาที่เรียนก็ลืมไป วิธีที่จะทำให้ไม่ลืมก็ต้องมีการบ้านให้กลับไปทำต่อพอกลับไปทาไปบ้านก็ต้องมาทำการบ้านที่เราได้เรียนเมื่อทบทวนอย่างนี้ก็เป็นเพื่อไม่ให้เราลืมเมื่อเราจำได้สิ่งที่เราเรียนมาเราก็พร้อมที่จะไปสอบพอเราสอบเราก็จะสอบได้ถ้าเราไม่ลืมถ้าเราไม่ทำการบ้าน ไม่ดูหนังสือไม่เตรียมตัวสอบพอถึงเวลาสอบก็สอบตกหรือสอบได้คะแนนไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาขั้นที่หนึ่งคือเราได้จากผู้อื่นได้จากผู้ที่สอนเราคือครูบาอาจารย์เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปสอนท่านจะสอนให้เราพิจารณาความตายกันนี่คือขั้นที่หนึ่ง พอท่านสอนแล้วเราก็ต้องเอาไหมทำการบ้านต่อเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิจารณาไม่ให้หลงไม่ให้ลืม เ, เมื่อไม่หลงไม่ลืมแล้วทีนี้ก็อยากจะไปพิสูจน์ก็ลองไปหาที่ท้าทายต่อความเป็นความตายดาูกลัวตายแบบไหนก็ลองไปไปอยู่แบบนั้นดู คนกลัวตกเครื่องบินก็ลองขึ้นเครื่องบินดูคนกลัวตกจมน้ำตายก็ลงไปลองลองไปลงเรือดูดูซิว่าจะกลัวหรือไม่กลัวถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อน ถึงแม้มีปัญญาแล้วแต่ยังเป็นปัญญาที่ไม่มีกำลังถ้าไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อนไปควบคุมใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือบริกรรมคำว่าตายก็ได้ตายตายตายตายตายเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายต้องตายต้องตายต้องตายท่องไปอย่างนี้แทนพุทโธก็ได้สลับกันบ้างก็ได้ สลับพุโทโธกับความตายก็ได้เพื่อไม่ให้ใจลืมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งเรื่องต่างๆพอใจไม่คิดปรุงแต่งเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้สงบเป็นอุเบกขาได้ที่ฝึกส ต, ตินี้เพื่อให้ใจนั่งสมาธิให้สงบเมื่อนั่งสมาธิใจสงบใจจะได้อุเบกขาได้การวางเฉยได้การปล่อยวาง การปล่อยวางของใจนี้ปล่อยวางด้วยอุเบกขาอย่างอื่นปล่อยไม่ได้ปัญญาก็ปล่อยไม่ได้ปัญญาเพียงแต่สอนให้ปล่อยแต่ผู้ที่จะทำให้ใจปล่อยได้นี้ต้องเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็ต้องได้จากการเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งเมื่อหยุดความคิดปรุงแต่งจิตก็จะนิ่งจะสงบขึ้นมาเป็นอุเบกขา ตอนเป็นใหม่ๆก็เป็นแค่แวาบเดียวครั้งแรกก็แบบงูแลบลิ้นพอพอจิตสงบก็สงบได้แวบเดียวแล้วก็กลับมาคิดใหม่เริ่มคิดใหม่ก็ต้องไปฝึกสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อควบคุมความคิดต่อไปแล้วก็กลับมานั่งใหม่ต่อไปก็จะนั่งได้สงบได้นานขึ้นจากชั่วขณะก็เป็นสองสามขณะ4ี่ห้าขณะ ต่อไปก็เป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีทำไปเรื่อยๆให้มันเป็นอุเบกขาไปนานๆจนเวลาออกมาแล้วก็ไปพิสูจน์ไปไปไ ป, ไปพิสูจน์ดูว่ายังกลัวเจ็บยังกลัวตายอยู่หรือเปล่าไปหาความตายดูไปที่ไหนที่เราไม่กล้าไปป่าช้าไม่กล้าไปไปมันเลยคืนนี้คนเดียว กลัวที่มืดที่ตรงไหนไปมันเลยคนเดียวไม่ต้องฉายไฟไม่ต้องเอาไฟฉายไปจะไปจะไปตายพูดง่ายๆจะไปตายจะดูว่าจะกลัวตายหรือไม่ถ้าไม่กลัวตายกลับ ม, มันจะได้มันจะได้หายกลัวมันจะไม่มีวันกลัวตายต่อไปต้องไปหาความตายไปเจอความตายให้ได้ พอไปเจอความตายได้ยินเสียงสัตว์คลรามขึ้นมาออดูเสว่าใจยังกลัวหรือไม่กลัวถ้าใจไม่กลัวเดินเข้าหาเสียงนั้นเอแสดงว่ากล้าแนละ้วแต่ไม่ได้กล้าแบบบ้าบเบนกล้าแบบเพื่อพิสูจน์ว่าเอกลัวหรือไม่กลัวมีความอยากหรือไม่มีความอยากพอรู้ว่าไม่กลัวแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปหามันก็ได้ พอหายกลัวแล้วพอยอมตายแล้วมันจะหายกลัวทีนี้พอหายกลัวแล้วทีนี้ก็จะไม่มีวันกลัวความตายอีกต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปขึ้นเวทีไม่ต้องไปหาเสือหาอะไรมาทดสอบไปแล้วถ้ามันรู้แล้วว่ามันไม่กลัวมันจะไม่กลัวไปตลอดถ้าไม่แน่ใจก็ทำซ้ำอีกสักสองสามทีก็ได้ให้มันมั่นใจว่าไม่กลัวจริง เดีว่าครั้งแรกยังไม่ได้เห็นตัวเพียงแต่เห็นได้ยินเสียงครั้งที่สองลองวิ่งหามันดูนี่ยได้ยินเสียงแล้วลอ ง, ลองวิ่งหามันดูเหมือนวิ่งหาแมวหาหมาดูอาจจะได้รู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวนี่คือขั้นของขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาขั้นของการขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้ ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีปัญญามันจะกล้าไม่ออกพอได้ยินเสือกำลามนี่ก็กลับบ้านดีกว่าหรืออย่าว่าแต่ได้ยินเลยอาจจะไม่ไปไม่กล้าไปเสือได้ซ้ําไปถ้ายังไม่มีอุเบกขาพอถ้ายังไม่มีปัญญาพอมันจะไม่กล้าไปแต่ถ้ามันมีพอแล้วมันอยากจะทดสอบมันอยากจะรู้แล้วรู้ลอดกันไป มันไม่อยากจะอยู่แบบกลัวอีกต่อไปาการอยู่แบบกลัวนี่มันทุกข์ทรมานไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยตายหนเดียวแต่ต้องมากลัวตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งในแต่ละวันนี้เรากลัวความตายกันกี่ครั้งกี่หนกลัวกันอยู่นั่นน่ะแล้วมันทําให้ไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็ต้องตายอยู่ดีสู้ยอมตายครั้งเดียวดีกว่า พอยอมตายครั้งเดียวแล้วทีนี้มันจะไม่กลัวความตายต่อไปจะยอมได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขามีปัญญานี่ยอมแบบธรรมะไม่ใช่ยอมแบบทหารบ้าบินนนั้นอันนั้นยังไงก็ไม่ยังก็ไม่หายกลัวตายถึงแม้ยอมพลีชีพวิ่งข้อหาคู่ต่อสู้ให้เขายิงตายไปใจมันก็ยังกลัวอยู่ ยังแปลว่ามันกล้าแบบบ้าเบนตอนนั้นนั่นเองแต่ถ้ามันมีทางเลือกระหว่างตายกับไม่ตายมันก็ยังจะเลือกไม่ตายอยู่ดีแต่คนที่ตายที่พิสูจน์ด้วยธรรมะนี้จะจะไม่กลัวตายและก็จะไม่มีความ อ, อยากจะอยูอ่ได้ทั้งสองอย่างถ้าให้เลือกจะตายหรือไม่ตายก็ได้ทั้งสองอย่าง แล้วแต่จะได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นถ้าจะตายก็ได้ถ้ายัางจะต้องอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เหมือนกันนะพวกที่เขาไปพรีชีพตอนนั้นเขาพลีด้วยอ่ด้วยอารมณ์เขาไม่ได้พรีด้วยสมาธิด้วยปัญญาต่างกันถ้าเขามีโอกาสเขาหน้าให้เขาเลือกเขาก็เขาก็จะไม่ยอมพรีชีพถ้าเขาเลือกได้ แต่ที่เขาต้องเลือกตอนนั้นก็เพราะว่ามันจนตรอกไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมอันนี้ไม่เหมือนกันขอให้เข้าใจไว้เดี๋ยวจะคิดว่าอย่างนี้พวกผีชีพนี้เขาก็บรรลุ ก, กันหมดแล้วไม่บรรลุแล้วเพราะว่ามันถูกบังคับให้ตัดสินใจนี่ไม่ได้บังคับตัวเองให้ไปตัดสินใจทางธรรมะนี่เราเป็นผู้เลือกไปเอง เลือกไปหาข้อสอบกันเพราะเราอยากจะรู้ว่าเรานี้กาจัดความกลัวตายได้หรื อ, อยังจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ไปเจอความตายนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเจริญเมื่อไหร่ก็เจริญเวลาที่ไม่นอนไม่หลับเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิ แต่จะเจริญได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีกําลังหรือไม่ถ้าไม่มีอุเบกขามันไม่ยอมเจริญมันใจมันจะไม่ชอบความจริงไม่ชอบความตายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทนฉะนั้นจึงต้องไปฝึกสมาธิให้มีกําลังที่จะดึงให้มันมาพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่บใบใบ พอพิจารณาอย่างไม่หลงไม่ลืมแล้วทั้นต่อไปก็ไปทดสอบดูว่าว่ายอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับความตายหรือไม่จะไม่รู้ถ้าไม่ไปหาที่น่ากลัวที่คิดว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ต้องไปหาที่เหล่านั้นเพื่อพิสูจน์ดู ถ้าไปแล้วเจอเหตุการณ์เจอสิ่งใดมาทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดมันได้ก็จะรู้ว่ า, าไม่กลัวแล้วหายกลัวล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีวันกลัวอีกต่อไปปัญญาก็คือยอมตายปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้า ถ้าอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ถ้ายอมให้มันตายมันก็จะหายทุกข์หายกลัวอ่นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญปัญญาจะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หายไปหมดนี่เฉพาะเรื่องของร่างกายยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องพิจารณาต่อไปอร่างกายเรื่องของลาบยศ ส, ะละสัลเซเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกัน เราก็เรื่องของเวทนาความรู้สึกก็เหมือนกันเรื่องของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจก็เหมือนกันเรื่องเหล่านี้ยังต้องมีการพิจารณาต่อไปหลายเรื่องเรื่องของการอารมณ์ก็ต้องพิจารณาเรื่องของความอยากมีแฟนก็ต้องพิจารณาคนที่มีแฟนนี้ทุกคนที่ไม่มีแฟนนี้ไม่ทุกถ้าอยากจะทุ ก, ก็ต้องไปมีแฟน แ้วไม่มีอไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีแฟนเมื่อไม่มีแฟนก็ไม่มีใครจะทุกข์ด้วยใช่ไหมที่ทุกข์ก็ทุกข์กับใครก็ทุกข์กับเรื่องของแฟนเนี่ยแฟนเป็นยังไงวันนี้ไม่ดีกับเราเลยแฟนไม่หวานเลยอแฟนหน้าบึ้งตึงอแฟนเขาไปมีอะไรกับใครหรือเปล่าเอคิดไปร้อยแปดแล้วก็เกิดความทุกข์ว้าวุ่นใจขึ้นมาถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์เนี่ย อันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาสอนใจให้อยู่คนเดียวด้วยการมองแฟนให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงหัวใจปอดอะไรต่างๆพอเห็นอาการสามสิบสองของแฟนมันก็จะหายอยากขึ้นมาหายหลงหายรักขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของปัญญาก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อการสิ้นสุดของความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริโุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพบริ่งตุสังกปาจันโทปันะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะรโควินาสตุมเตภะวัตตวันตรายุสุขีทีกายุโกภะวะ อภิวาทนาสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมะวัทานติอายุวโนโสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บ o o k เข้ามา 294, y o u ย u b e 275ู็สิบห้า วิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนนี้สามสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบสองครับอตอนนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็ถ้ามีคำถามทางบ้านก็เอา ทางบ้านก่อนคำถามจากทางเฟซบุ๊กจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามทำอย่างไรชีวิตหลังความตายจะไม่เป็นทุกข์ครับก็ทำตั้งแต่ตอนนี้ทำบุญรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงทำบุญทำทานทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกภาวนาพุทธโธ วิปัสสนาให้เกิดปัญญาแล้วใจจะมีแต่ความสุขทั้งขณะที่ยังไม่ตายและหลังจากที่ตายไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณสุปราณีถ้าถือศีลแปดหลังเที่ยงคืนของวันที่ถือศีลเราสามารถออกจากศีลได้เลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่ได้แล้วเวลาที่ออกจากศีลดังรอให้สว่างพระาทิตย์ขึ้น เราใช้เวลาโบราณเวลาเวลาโบราณ น, นี้วันเริ่มต้นของวันใหม่ก็คือตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนที่สว่างเรียกว่าวันใหม่แล้ววันใหม่อีกวันหนึ่งก็ต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นถึงจะครบยี่บสี่ชั่วโมงไม่ใช่ถือศีลแปดตอนก่อนจะนอนนี่แล้วพอตีพอสองยามมันก็ตื่นขึ้นมาก็กินข้าวได้แล้วอย่างนี้ก็อย่าไปถือให้มันเสียเวลานะ อันนี้เราไม่ได้ใช้เวลาสากรเราใช้เวลาสมัยพุทธกาลวันหนึ่งนี้จะเริ่มที่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะครบต่อเมื่อพระอาทิตย์กลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันต่อไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคาถามต่อไปจากคุณบอลจากการที่ผม นั่งภาวนามาได้สักระยะหนึ่งก็มานอนแล้วหลับได้ฝันเห็นพระหลวงตามหาบัวมายืนตรงหน้าท่องบาลีบางสกุลตายให้ฟังแล้วก็หายไปกราบเรียนหลวงพ่อช่วยชีแนะว่าผมจะได้ประโยชน์จากความฝันนี้อย่างไรครับก็แล้วแต่คุณคุณจะไปใช้ยงไงคุณเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์หลวงตา ม, มาบอกว่าคุณจะตายแล้วรีบไปบวชใช่ ถ้าคุณอยากจะได้ประโยชน์ก็ไปบวชแต่ถ้าคุณก็หลงตามาสวดบางสกุลให้แล้วก็เฉยไม่สนใจดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ก็ต้องไปบวชหลวงตาท่านมาเตือนแล้วคุณจะตายแล้วรีบไปบวชได้แล้วคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อา น, นิสงส์จากการทำบุญและการปฏิบัติภาวนาจะถึงพ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่โดยอัตโนมัติหรือไม่ครับไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยของใครของมันคณค่าคณกินข้าวอิ่มขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่ได้อิ่มไปกับคนด้วยอยากให้พ่อแม่อิ่มก็ต้องเอากับข้าวกับปลาให้พ่อแม่กินอย่างเรื่องการปฏิบัติเรื่องการทำบุญนี่ของใครของมันทำแทนกันไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณสีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในสมาธิใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในท่านั่งสมาธิแต่จิตไม่ได้อยู่ในสมาธิจิตออกจากสมาธิต้องถึงจัดเจริญวิปัสสนาได้หมดแล้วครับหมดแล้วนะสรับโยมที่จะไปปฏิบัติที่พุทธคยา ก็ให้ถือแนวศีลสมาธิปัญญารักษาศีลห้าศีลแปแล้วแต่กำลังได้รักษาได้มากก็รักษาไปรักษาได้น้อยก็รักษาไปตามกำลังก่อนศีลห้าก็ได้ศีล8ยิ่งดีนะแล้วก็วันเวลาวันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการเลี้ยงบากเลี้ยงท้องการดูแลสถานที่ให้สะอาดสงบ เอาเวลาจเจริญสติไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานทำงานก็ให้มีสติอยู่งานที่ทำถ้าไม่ทำงานก็เดินจงกรมก็มีสติกับการเดินพุโทโธพุโทโธไปถ้านั่งก็พุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจไปออกจากสมาธิมาด้าอยากจะฟังธรรมก็เปิดธรรมะฟังหรืออ่านเปิดหนังสือ อ, อ่านไปจะลับกันไป ถึงเวลาไปทําวัดสวดมนต์ก็ไปทําำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำแต่ ก, กิจกรรมเหล่านี้ไปแล้วใจจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับไม่ใช่พอไปถึงที่นั่นเดี๋ยวอยากไป น, นู่นเอง่ล้วอยากจะไปนี่แล้วเดี๋ยวถึงพุทธคยยะเดี๋ยวอยากจะไปลุมเพนีไปลุมเพนีเดี๋ยวอยากจะไปที่นู่นที่นี่อย่างนี้ก็ถ้าไปแบบนั้นก็ไม่ได้ไปปฏิบัตินะไปเที่ยว การใส่บาตรตอนเช้าควรทำไหมถ้ามีถ้าอยากจะใส่ก็ใส่ได้ถ้าอยากจะทำบุญก็ใส่บาตรตอนนี้เวลาโยมนั่งภาวนาเนี่ยจะมีแบบเสียงของเสียงดังของการของชาติอื่นๆที่เข้ามาอย่างนี้ค่ะก็อย่าไปสนใจพุทธโธไปดูลมหายใจไปถ้ามมันไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันยิ่งไปอยากให้มันหายมันยิ่งไม่หายใหญ่ ทำให้เครียดไปเห็นอะไรจะมาปรากฏอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เช่นพุโทโธเรืร่อดูลมหายใจไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ตัวนี้ที่เราไปอยู่นานเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราเมื่อยลา้ากิดความเจ็บปวดโดยเฉพาะขาางนี้คะแล้วคุณจะระงับความเจ็บปวดตรงนั้นได้ยังไงนะ่ะอ๋อก็เปลี่ยนนิรยาบทเนี่ย <Okay. S 1> นั่งนานๆมันเจ็บปวดก็ลุกขึ้นมาเดินมายืนมานั่ง แต่ถ้าเวลาอยากจะทำข้อสอบว่ากลัวความเจ็บหรือไม่ก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเจ็บให้มันหายเองคือจะดูว่าใจเราทุกข์กับมันหรือไม่ก็ถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยมันอยู่ลไปถ้าต้องการขยับมันก็แสดงว่าทุกข์กับมันแล้วเราต้องหัดไม่ทุกข์กับมันเพราะมันจะทำให้เราต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะได้ไม่ทรมาน จะดู้หมายของการภาวนานะคะเออจะทำให้เกิดตัวปัญญาใช่ค่ะก็ไม่ใช่เราเกิดเป้าหมายคือทําให้ใจพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่จะพ้นได้ก็ต้องมาอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเช่นทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกาย น่ามีสมาธิมีปัญญาใจก็จะปล่อยวางได้ปล่อยให้มันเจ็บไปแต่ใจยังไม่ทุกข์กับมันต่อไปคำถามต่อไปจากข้างบนนี้นะครับกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำอะไรในอดีตและควรแก้ไขอย่างไรบ้างครับอ๋อไม่หรอกมันเป็นกรรมที่เกิดในปัจจุบันเกิดจากคนขับนั่นแหละ เมาแล้วขับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่เมาแล้วขับจะไม่เกิดอุบัติเหตุเห็นปัญหาอยู่ที่คนขับรถขาดชติว่ามึนเมาหรือไม่มึนเมาก็คึกขนองคลั่งเผลอขับรถไปคุยกับแฟนไปอย่างนี้เดี๋ยวรถตัดหน้ามาก็เบรกไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุได้ อัน ไ, ไ, ไม่ได้อยู่เกิดจากอะไรในอดีตเกิดจากในปัจจุบันเกิดจากคนขับรถที่ไม่มีสตินี่ประมาณคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ครับคุณราชาถ้าเรารักษาสิญปดแล้วสามารถทาครีมกันแดดได้ไหมครับทาไปทำไมนะ่ะถ้าทาเพื่อรักษาผิวหนังก็ได้ถ้าผิวหนังมันเป็นโรคที่ต้องทายาก็ทาได้ ถ้าทาเพื่อรักษาความงามก็ไม่ได้ปล่อยให้มันแก่ไปเถิดปล่อยให้มันเหี่ยวให้มันแห้งไปตามธรรมชาติของมันเั้นจะไหมไม่งั้จะต้องคอยวุ่นวายกับการคอยหาอะไรมาคอยรักษาคอยป้องกันมันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นเพราะการเก็บไข้ได้ป่วยนี่มันน า, นานจะเกิดขึ้นก็รักษาไปคำถามต่อไปจากคุณเพชรการบรรลุธรรมจาเป็น ที่จะต้องเห็นอสุภะไหมครับก็มันมีหลายขัย้นไงล้วแต่เราจะอยู่ขั้นไหนเหมือนเป็นยาตีโทเอกต่ละขั้นก็มีข้อสอบไม่เหมือนกันาการบรรลจะเป็นพระอานาคามีได้นี้ต้องเห็นอสุภะเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่ต้องการมาเป็นไม่ต้องการได้แฟนพอเห็นร่างกายของใครมันอสุภะไปหมด มันสกระปรกมันน่าเกลียดน่ากลัวไปหมดหมดแล้วนะออยังมันมีหลายขั้นการเห็นขั้นโสดาบันก็ต้องเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เ, ออเรื่องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ อ, อร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเ อ, อมันจะตายกันเราไปเดือดร้อนแทนมันทําไมออออนี่คือการเห็นของพระโสดาบัน จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นใช่หไหนร่างกายคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนไหมไม่เฉยเฉยดัง ต, ต้องเฉยแบบนั้นกับร่างกายของเราร่างกายของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องดูเหมือนกับเราดูร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนะ คนที่ร่างกายเราไม่รู้จักนี่เขาแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะอันนี้ก็เหมือนกันพระโสดาบันก็จะเห็นว่าร่างกายของตนก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเหมือนกันทุกอย่างมีอาการสามสิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันท่านก็เลยไม่ไปทุกข์กับร่างกายทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นของท่านหรือของผู้อื่นเหมือนกันหมดเท่ากัน นี่คือการการเห็นของพระโสดาบันการเห็นของพระสกิรดาคามีก็เห็นอสุภะแต่ยังเห็นไม่ตลอดเวลาเห็นห้าสิบห้าสิบเวลาเห็นก็เบื่อเวลาไม่เห็นก็อยากขั้นที่สามขันอนาคามีนี่เห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครพอจะเกิดความอยากขึ้นมาก็เห็นอสุภะขึ้นมาทันทีก็จะไม่มีความอยากมีแฟน น, นี่คือการเห็นธรรมขั้นต่างๆของผู้ปฏิบัติที่จะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการเห็นปัญญามันต้องคิดนี่ต้องนึกนงคิดนึกถึงอสุภะหรือเรื่อยๆมันถึงจะเห็นนึกแล้วก็พยายามนึกภาพขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นก็ไปดูของจริงดูตามหนังสือตามลา า, าลาของหมอก็ได้เขาจะ มีภาพที่ให้เห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือไปดูเวลาคนตายก็ได้ว่าเป็นยังไงน่ารักไม่ตอนที่ตายนี่แฟนเรานี่รักกันขนาดไหนเวลาไม่หายใจแล้วยังจะเก็บเอาไว้อยู่เปล่ายกให้สับเปล่าเลยใช่ไแถมเงินให้ด้วยแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่ใครมาแตะไม่ได้ใช่ไหอย่าว่าแตะเลยเพียงแต่มองก็ไม่พอใจแล้ว อนี่แหละคือความหลงไม่เห็นอ ส, สุภะ <c oughs> มีคำถามอยางไหมมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่ายงเคยนั่งพิจารณาสุภะเราสมัยยวัดป า, าที่ที่ทคามค่ะพอพิจารณาป๊อบนี่มันจะเป็นโครงกระดูกโล่งๆทะลุออกไปหมดเลยมันเหมือนแต่เป็นโครงกระดูกค่ ะ, ะไม่ทราบเหตุการณ์อย่างนี้มันแสดงให้ถึงว่าไงกนะ <c oughs> คือกาลังทำการบ้านอยู่ไง มันจะเราก็ไปใช้ต่อเวลาอยากมีแฟนก็ต้องเห็นแบบนั้นเห็นร่างกายของแฟนเป็นโครงกระดูกไปมันก็จะได้ไม่อยากได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนใช่ไหมการที่เราอยากได้แฟนพอมองไม่เห็นโครงกระดูกเนียตอนที่เราเห็นตอนที่เราภาวนานี้เป็นการทําการบ้านทําไว้เพื่อเวลาไปทําข้อสอบจะได้ทําข้อสอบได้ เวลาเกิดความหลงอยากจะได้แฟนด้ก็ให้นึกถึงโครงกระดูกที่เราเห็นขึ้นมาอมพอเห็นแล้วเราก็ไม่เอาดีกว่าใคอยากจะได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนบ้างไมไม่มีใครอยากได้แต่ไ ด, ได้ได้กันทุกคนเนยไรู้สึกตัวดูดูแฟนของคุณว่ามีโครงกระดูกัหมลองไปจับดูเลยไม่ต้องจับที่ศีรษะก็มีกระโหลกศีรษะให้จับแล้วนะจับที่ร่างกายก็มีโครงกระดูก กระดูกแข้งกระดูกขามีทั่วไปหมดแล้วมองไม่เห็นเราคิดว่าได้แฟนมาคจริงได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนเนีจะถามหลวงพ่อว่ากรณ น, นี้ที่เราลาไปปวดสามเดือนก็จะมองว่าเหมือนเราละทิ้งหน้าที่หรือเห็นแก่ตัวเองงี้หลวงพ่อจะอธิบายเขาว่ายังไงดีอ่าก็เวลาลาไปเที่ยวสามเดือนไม่เห็นมีใครว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่หไหมเวลาไปลาไปเที่ยวกับ ว, ว่าดีเวลาไปปฏิบัติธรรมเป็นของดีกับหาว่าไม่ดีะ ถ้าคนมันไม่ดีคนมันโง่มันเห็นอย่างนั้นนะคนเจริญก็ต้องสาธุอนุโมทนาเหมือนไปเรียนหนังสืออะการไปบวชก็ไปเรียนไม่ใช่เลยการบวชการเรียนไปเรียนไปทําปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแต่ทางโลกกลับไม่ยกย่องสรรเสริญแต่ถ้าไปเที่ยวสามเดือนหกเดือนโอ้สาธุพี่สนุกเต็มที่เลยนะออเพราะโลกมันมองมอง มองของดีไม่เป็นมันเห็นแต่ของไม่ดีเป็นของดีของดีกับกายเป็นของไม่ดีไป ไ, ไม่ต้องไปสนใจมีเข้าาอมกไหมยังไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะให้กลับบ้านกันแล้วนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต